ก็องว่างหรือฟ้อเทียดมาพูดอะไรฟังคนเท่าฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังมีหน้าที่ฟังต้องฟังผมก็มีหน้าที่พูดก็ต้องพูดอมันจะถูกหรือผิดก็ดูเอาถ้าจริงนผิดก็เอาจับทิง้งครับเขาปากครับต้องไ ป, งไปอันในผิดก็ ค่อยๆเอาไปเอาไปดูมันจะถูกนานไหมทุกท่านที่มาที่นี่น่าว่าเป็นผู้มีมีบุญ ม, ม, ม, ม, มีวาตนามากมมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกทุกท่านทุกทุกคนตามที่เห็นมา ถ้าเราไม่มาทำถึงนี่เราก็หมดดีหมดหวังอั่นและเกิดมาในสัตว์เนี่ยขอให้ทุกท่านต้องเอาใจใส่ในตัวเองเป็นกาไรชีวิตของเราแท้ๆตัวรู้สึกตัวเดียวนี่แเป็นกาไรบุญก็อยู่ดีศีลธรรมที่ปัญญาก็อยู่นี่ให้เรามาดูช่วยกันมาทำช่วยกัน ต่างคนต่างทำคนใดมาก็จะรู้จะเข้าใจคนไหนที่ไม่มาก็ไม่เข้าใจไม่รู้นรกว่าบุญวาสนามันดีที่สุดนี่แหละมาสร้างบารมีอย่างเห็นอย่างคิดอย่างคิดแก้งใจเแจยงกันให้กิตใจเลยว่าเรามาทำมีเนี่ยไม่ได้อมิสได้บารมีสูงเรื่อยๆไปตั้งแต่คน มีมูลฐาสนาหน่อยจนไปถึงใหญ่ที่สุดเนี่ยค่อยค่อยเคลื่อนไปตามฐานะของตัวเองมามาปฏิบัติที่นี่มีหวังได้เป็นนิพพานแต่ว่าไปตอนไหนก็ยังไม่รู้เพราะว่ามันเกิดมันกลับมันเหมือนกันเราไปทำไปปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็ในในชาติเนี่ยเราก็ทำไปทุก ทุกวันทุกวันมาปฏิบัติเห็นกี่ทั้งใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้ไปที่ไหนหยุดยั้งได้ที่ไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะไป็ทางที่ไม่ดีเราก็เห็นเห็นแล้วก็ยับยั้งได้สิ่งในที่เกิดแล้วก็เห็นได้ลดได้ลดลงไม่ไม่เอาเหมือนเดิมเนี่ยลดละ นั่นแหละคอยรดละลงไปเรื่อยๆไปเราก็มาปึงมาบัเบี้ยเราจะออกจากสิ่งที่สกปกที่มันเคยทำให้เราได้มีความอิจฉาพยาบาทกันเนี่ยคำจองเวียนจองกรรมกันทุกทอย่างที่เราเกิดมาในชาตินี้เราสร้างขึ้นเองท่นั้นวันนี้เรา พอเห็นมันมาเนี่ยไม่ว่าสาน้นฝันหรือว่าเรามาเดินทุกกรมไปเห็นสิ่งที่มาเกิดขึ้นเราค่อยลดระดบปล่อยวางไปจิตใจเราก็สะอาดเบาบางไปเดินก็เดินดีเดินก็เดินเบาไม่หนักไว้หนอนเดิมนี่เราพอแน่ใจที่สุดเลยเพราะว่า กับหนึ่งกันหนึ่งเนี่ยผมหลวงพ่อมาเห็นคิดเนี่ยเห็นที่คิดที่แรกเนี่ยมาเห็นดีอกดีใจภูมิอกภูมิใจไม่เคยเห็นตั้งแต่ก่อนเคยเป็นถัดของความคิดคิดเรื่องไดก็ยึดมั่นถือมั่นในถิ่นนั้นดีถ้ามันเกิดขึ้นมาดีๆนี่ไม่อยากให้มันหนีอยากให้มันพาคิดต่อไปเรื่อยๆไป ถ้ามันทิศไม่ดีก็ไม่อยากดูมันไม่อยากฟังมันไม่อยากเห็นมันอย่างไล่หนีไปไกลไปยึดมั่นถือมันอยู่ตั้งหลายตั้งนานมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะแต่มันมันไม่ใช่แค่ทางแล้วนะเรามีแต่ปติดอันดีก็ติดอันทั่วก็ติดติดทั้งทุกไม่ใช่ติดทั้งดีอันทั้งที่ไม่ดีติดทั้งทุก แต่ติดทั้งดีนี่ก็ติดแล้วก็พูมบกภูมิใจว่าตัวเห็นธรรมะแต่ที่กินเอามันมันไม่ได้มันไม่ได้อะไร ม, มันมันไม่ดีแล้วเนอะเน่ยเพราะฉะนั้นให้มันค่ อ, อยๆไปค่อยดูเองเอาไม่ไม่มีสิ่งที่เอาเหรอกมีตั้งแต่ที่ปล่อยวางไ ป, ไปๆๆน่ยตรวงพ่อไปเห็นตั่งแต่ก่อนน่ะกับหนึ่งกันหนึ่งนี่คือมาดูตัวเองนี่แหละ เราอยู่กับผมคิดเนี่ยคิดเลื่อยเปลยไปทั้งอดีตทั้งอนาคตเอามาคุ้นคิดขึ้นจนจนมันจะหมดหมดคิดจนแหละอะไรอะไรก็คิดหมดเอามาคิดเป็นอดีตก็ตามเป็นอนาคตก็ตามไปเอามาคิดวุ่นวายอยู่อย่างนั้นกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดมันจะเป็นอย่างนั้น สรางภพบร้างชาติของตัวเองรู้ทังว่าภพลำบากมากมากอันนั้นเราจะได้ไปครองถ้าเราไม่มาฝึกปฏิบัติคุณโยมเป็นสมบัติของเราที่จะไปไปครองไปรักษาในชาติต่อไปวันนี้เรามาเห็นเนี่ยมาเห็นนี่เรามาตัดกำตัดเวนตัวอะไรแหละพอเห็นตั้บขึ้นมาเนี่ยแต่ก่อนเคยปรุงเคยแต่งต่อไปพอเห็นปั้บมีมันออกขาดออกเลย ขาดองคไม่คิดอีกต่อไ ป, อไปจิตใจเราก็ปลอดภูมิโลมสบายสบายภูมิอกภูมิใจตัวเองถึงทีไ่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นถึงคึ้ไม่เคยเป็นไม่เก็เป็นให้เราเห็นอันนี้แหละหลวงพ่อว่ า, วานี่นะกับหนึ่งกันกับหนึ่งกันหนึ่งเป็นกับเป็นกันในตำราบอกว่ากันหนึ่งมีร้อยยี่บวัดมีเอยยี่ น้อยยี way, so ่ท like ีป so ีเป็นกันกับหนึ่งกันหนึ่งว่านั้นเราอยู่ในหนังสือก็มาดูของกรรมของของปูเทียนเราเนี่ยกับหนึ่งกันหนึ่งเนี่ยวิทย์อะไเดียวก็ว่าได้เห็นความคิดปั้บพุ่นมาไม่ขาดออกไปเลยเนี่ยแล้วก็เราไม่ตั้งแต่นั้นมามันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเราวันนี้พอคิดปั้บมาเราจะเห็น มีแล้วมีคอยขาดออกไปขาดออกไปเห็นมาก็ขาดขาดออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำความรู้สึกเนี่ยให้มันมากๆแล้วก็กายกับใจเนี่ยให้มันเห็นชัดอกายเคลื่อนไหวให้ใจรับรู้เนี่ยรูปนาม ร่วนอนเนี่ยคือกายกับใจมันอยู่ด้วยกันมันติดกันอยูมันไม่ออกแกกันมาได้ไปไหนก็ไปด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันยิงก็ยิงด้วยกันแหละให้มันอยู่ด้วยกันเราก็ให้มันรู้สึกกันให้มันรู้ชัดชัดการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามเอาใจเนี่ยเข้าไปช่วยไปให้รู้รู้ด้วยทําอะไรให้รู้ด้วยกันไอ้ใจนี่กับกายให้มาทํางานด้วยกัน เว่ารูปทำนามทำไม่ว่าจะทำอะไรทั้งหมดถ้าเราส่องของสิ่งนี้มันทำเมื่อคีกันแล้วมันจะดูไปเรื่อยๆไปเป็นกาไรชีวิตของเราได้ตลอดให้เราพยายามทำไปอย่าไปเอาใจใส่ให้มันจนเกินจนเกินไปเกินเกินดีไปมันก็ไม่ดีนะให้เป็นกลางๆ รูปบ้างไม่รู้บ้างไปทําทําไปอ่ะเห็นอะไรเกิดก็ให้มันเห็นเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปที่ไหนที่ยังไม่ชัดก็รื้อทำให้มันชัดเข้าเป็นรูปเป็นนามเนี่ยให้เห็นรูปเห็นนามเป็นรูปทำนามทำเห็นรูปโลกนามโลกให้เห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาให้เห็นสรรมมุต ให้เห็นตาดนาให้เห็นพุทธศาสธนาให้เห็นนรกสวรรค์เห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษไม่ไปจบมันไปจบที่นี่ไปจบออาที่นี่อารมณ์รวมนําเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบาปเห็นบุญแล้วก็ต่อไปอีกโลกลุตมละมาดูกายเวทนาจิตธรรมจะไปเห็นความคิดตัวเอง เป็นนามารูปมันเรียกว่านามารูปอันนี้รูปนามติดกับกายของเรานามารูปนั่นคือเห็นความคิดรู้ว่าคิดมันคิดขึ้นมาเราเห็นปับ๊บมันเน่ยเราแก้าจะขาดดูกายเวทนาจิตธรรมนี่มันจะค่อยเห็นเป็นอันเป็นอันไปแต่มันมายากยากปฏิบัติเนี้ยยากอยู่ที่ตั้งแต่อาลงล์รูนามไปหา ตัมุดนี่แหละตัมุดนี่มันกว้างไกลเหลือเกิยาวไกลที่สุดเลยอก็จะเห็นตัมุดหมดเนี่ยเป็นหลายหลายปีอยู่เพราะว่าไม่ไม่มีคนพูดให้ฟังก็เห็นอันนั้นก็เนตัมุดอันนี้ก็เป็นตัวมุดได้ยินหลวงปู่ว่าต้องให้รู้จากสัมุดหมดทุกอันจึงค่อยรูกไปอีกอันอื่นอันอื่นอีก ท่านบอกว่าอย่างนั้นก็เลยพากันพิจารณาดูสมมติดูไปดูมาดูไปดูมาดูอะไรก็พีจารณสมมุติอีกไปหมดเลยจนว่าไม่สงสัยอะไรมีอะไรจริงถึงไม่มีสมมติไม่มีเลยในโลกเนี่ยตลอดทั้งตัวเราเองจนจะนับไม่ไ้วละสมมุติเนี่ยแล้วก็ใช่ถ้าไม่เป็นเหมือนเนี่ยใช่สมมุติถ้าเราใช่มันเป็นเราเราก็เป็นทุกข์ ไปติดในสมมติน่ะเราอยู่เดี๋ยวนี้อะสมดโลกแหละติดสมมติทั้งหมดเลยถ้าเรามาเข้าใจมันจะดีมากอย่าไปติดมันสมมติน่ะให้เราเอาไปชใช้มาเอามาใช้สมมุติน่ะเอามาใช้สมม ต, ติโดยเราอยู่เดี๋ยวนี้แต่ว่ามั น, มนเอาไปมันได้ มันมาติอยู่นี้มันทํำอะไรให้เราค้องแวะอยู่เนี่ยมีพบมีชาติอยู่ที่นี่สร้างพบสร้างชาติเกิดไม่ได้วุ่นวายเลยทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตตั้งแต่ครั้งเกิดมาไม่ก็ออกมาคิดออกมาพาพากลับมาได้หกสิปีแปปีมันก็ยังไม่ลืมเนี่ยมาคิดแล้วว่าน่าสงสารพวกเขายังไม่มา ป, ปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ย ประพฤติก็ไม่ไม่เหมือนกันสายหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งายนึงเป็นอย่างหนึ่งก็เมื่อก็จะไปหานิพานเหมือนกันแต่มันโค้งมากมันอยู่ไกลมากนลูผู้ท่านพระสามาทำอยู่นี่เนี่ยตัดออกหมดอันถึงในที่ไม่จำเป็นจำให้งามมาพูดเลยเอาตั้งแต่ของที่จำเป็นที่สุดย่นเข้ามาของที่ เป็นมรรคเป็นผลออกทุกได้จริงๆไม่ข้องแวะถ้าใครทำได้ก็เป็นพระบุญน่ะได้มานี่ผมว่ามีแต่บุญวัฒนาดีๆทั้งหลายพวกที่เรามาอยู่เนี่ยบุญวัฒนาเราทำมาทามาเนี่ยบางคนก็รู้ชัดบางคนก็รู้ไม่ชัดแต่ว่าเราก็ดีก็เขาไม่ได้มาทั้งหลายเท่าคนที่มาไม่ ไม่มาเนี่ยเขาจะไม่รูปเหมือนพวกเราเลยเนี่ยถ้านี่เราได้ขึ้นไปขั้นหนึ่งต่อไปถ้าต่อไปอีกมันจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันจะค่อยขึ้นไปทุกครั้งทุกครั้งอันเพ่งเพ่เราทำอยู่เนี่ยมันจะรอเราอยู่เรื่อยไปแต่มันหมดไม่เป็นหรอกเพราะคุณงามควมดีเราทำ ไ, ไว้เนี่ยไม่มีขโมยมาลักไม่มีจนมาพ้น เราก็ค่อยทำไปทาไปทำบุญทำวัฒนาบารมีเรานั่นแหละตัวแล้วแต่ได้ไปขนาดไหนแต่ว่าพยายามเชื่อแน่นอนหลวงพ่อเชื่อคํานตอนของหลวงปู่ทีย น, นเนี่ยเพราะว่ามันมีแต่ของกินของที่จะออกจากทุกข์ได้มันก็เห็นอยู่มันก็เข้าใจอยู่เพราะฉะนั้นเราพยายามเอาอยาโดยเห็นในความเกีียดข้าน ความง่วงเมาหัวนอนมันจะค่อยเป็นไปเองเนี่ยค่อยไปมันเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นไปไม่ได้ขึ้นมามามลงมาเศร้ดินทศร้าดอนอยู่นั้นเหมือนเดิมเรกมันจะค่อยขึ้นไปเรื่อยไปกิจชีวิตกิจใจของเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วค่อยจะมีความเมตตาสงสารไม่กล้าทําความชั่วอันในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่กล้าเลย เพราะว่าตั้งแต่เราฝันเราก็ยังไม่กล้าทําริ่ง่มันเป็นจะไปสร้างภพสร้างชาติน่ะนะให้เราเข้าใจมันเป็นหมดเรามาอยู่ดีๆแล้วนะโลกเกิดมาเนี่ยสิ่งอะไรทั้งหมดมีเราสร้างเราเองความทุกข์ยากลําบากเข็นใจอะไรทุกอย่างเราสร้างขึ้นมาเองเป็นสัตว์ในดินแดนเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็ตอาุูกายเราก็สร้างขึ้นมาเองเป็นนรกสวรรค์เราก็จ้าง สร้างขึ้นมาเองไม่มีคนมาสร้างให้เลยความทุกข์ยากเย็นเห็นใจอะไรว่าคนนั้นมาทำอะไ้เราทุกคนนี่มาทำให้ทุกมันไม่ใช่เราทําเองทั้งหมดเลยไม่มีใครจะมาทําให้เราเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเรามาเนี่ยรู้แล้วก็อย่าไปอิทธิบาทสัตว์ต่างๆหลอดทั้งสัตว์มนุษย์ด้วยประจุสัตว์มนุษย์ดีมัน มีคุณค่ามากที่สุดเลยเราถ้าเราอดออมไม่ได้ก็จะเป็นตุ้มบัตรของเราเน่ะเราอย่าไปไปทอย่าไปพูดแต่มันผิดออกผิดใจกับคนที่มีศีลมีธรรมด้วยกันนี่ก็ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทำงั้นเนี่ยคิดว่าจะดีไปตลอดไปเนะ่ยผมคิดว่า ถาไปถึงยอดไม่หรอมันถึงยอดที่สุดแล้วเราประพฤติความดีไปอ่ะค่อยทําไปทําไปไปถึงสุดแล้วเหมือนเราขึ้นต้นไม้แล้วมันสุดยอดแล้วเราก็ไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นบุญบุญบุญบารมีที่เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่นี่ยค่อยๆไปพูดถึงคนที่ร่ํารวยที่เขาทําอยู่แล้วเนี่ยเป็นพ่อข้าประชาชนก็ตามเป็นเจ้าเป็นนายเจ้าใหญ่นายโตก็ตาม S <S เขาเอารัดเอาเปียบกั ร, รชิงดีชิงเด่นกันอยู่อย่างเนี้ยยศธรศรมนาสักอันไหนก็ชิงกันไปไปหมดเดเนี่ยถ้วนเขาจะมาประพฤติปฏิบัต<ร>ิาาอย่างพวกเราเนี่ยมาดูจ<ร>ิตดูใจอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่มีไ ม, ไม่มีใครจ ะ, ม, ม, รจะมามาทำเหมือนพวกเราเขาเอาตั้งแต่ ลาบยศสรรเสริญถูกเรือยไปไปติดติดวัตถุทั้งหมดเลยแดีววันนี้ก็ไปถึงชั้นเทวดาชั้นอินชั้นพรหมนี่ก็มันหมดแล้วก็ลงมาสร้างเอาใหม่อยู่ในเมืองมนุษย์เอาเนี้ยเนี่ยมันเปลี่ยนกระลาเปลี่ยนกัะลูกเปลี่ยนกระรองจองล่างจองผานจะไปนิพพานไปไม่ได้เพราะว่าได้ไม่ได้มาฝึกเรื่องชีวิตจิตใจไม่ได้ฝึก พวกได้ฝึกก็ก็มีแต่ว่าหางน้อยแต่ถ้ารู้แท้แล้วนั้นเขาก็ไม่กล้าไปฆ่าฟันรันแทงเอาลัดเอาเปรียบกันหรอกเขาก็จะลาออกตอนเลยถ้าเขารู้แล้วเขาไปเรียนมาได้แล้วอะพวกเขายากอยากดีอะถ้าคนเขาไม่รู้จักเขาหวังจะขึ้นสูงได้เรื่อยๆไปเนี่ยคําสอนของพระเจ้าสอนไว้บนเนี่ยอันเลี่ยงเลี่ยงมันนี่ แต่ว่าเราน่ยไม่เห็นไม่มีตัวไม่มีตนพระธรรมเนี่ยหลวงพ่อเชื่อพระธรรมเนี่ยผมเชื่อที่สุดเลยคนทําอะไรก็เป็นสมบัติของผู้นั้นทั้งหมดเลยอย่างที่เราเราอยู่เดือนนี้คนจนก็มีคนรวยก็มีคนมียศธรมนราศักดิ์ก็มีคนธรรมดาธรรมดานี่ก็มีก็เพราะเราทํามาไว้แล้วอได้ เนี่ยบันนี้เราทําต่ออีกต่อไปอันนี้เอนที่เรกต่อยอดมันคือเรามามาเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดมาปลึกพืชปฏิบัติมูลดูชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆไปท่านถอยไม่มีขอให้อยาอกจะถ อ, อยพวกเราอ่ะบุญนันนี้เราทํามาแล้วก็ต้องบุญนันนี้แหละจะพาเรานำนทเราไปอะที่เราทําอยู่เดี๋ยวนี้ เหมือนนั่นะอันนี้จะไปทําเถื่อใครก็ไม่ได้ที่บุญนั้นเนี่ยแต่ว่าเราทําบุญในทานนักสาธินเป็นของที่มีค่ามีราคาที่ตุดก็อยู่ในในโลกอยู่ตรงนี้ก็อันนั้นก็ดีเมื่อกันแต่แต่ว่ามันเอาไปนับไม่ได้คุณโยมเอาไปไปไม่ได้ถึงแค่แค่พรมโเท่านั้นแหละถึงเช่นั้นก็พากันลงมาทุงสุดแล้วแหละนะจะเป็นพันไปไปไม่ได้ เพราะว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนไมได้มาเข้ามาได้มาปฏิบัติเนี่ยได้เราจะไปเพียรู้เพียต้องไม่ได้เพียพอเพียมแม่ไม่ได้เพียรไปทำให้คนอื่นทําม่ได้เลยขาคนคนคนใดมาก็คนนั้นก็รู้คนใดมาทําคนนั้นก็เห็นเข้าใจคนไม่มาเป็นจะ่พูดพูดให้ฟังเฉยๆนี่ก็ก็ยังไม่เห็น เพราะว่ามีอันนั้นคำพูดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมาให้มันเกิดขึ้นจากทิตทิศใจของเราให้มันรู้จักการละปล่อยวางให้เราเข้าใจเนี่ยเรามานี่เราหัดลดละหัดวางหัดปล่อยดหัดปล่อยเราอย่าไปสร้างภพสร้างชาติสร้างภพสร้างชาติท่านให้เห็นความคิด ความคิดอ่ะพาเป็นนะคิดอดีตคิดอนาคตคิดปัจจุบันสารพัดตั้งแต่คิดคิดหมดทุกอย่างเลยคิดแลกไปติดความคิดเนื่องรับตาไปก็ไปเห็นรูปไปเห็นผีปีศาจสารพัดแต่ไม่จะเห็นไปเขาก็ว่าเขาเห็นนาเห็นธรรมะแต่พวกพวกเรานี่ไม่ไม่ไม่ไม่ว่าไม่ว่าเหมือนกัน ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรนะเป็นเป็นนิมิตเฉยๆไม่ได้ว่าเป็นอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรนะเอ่อพวกเรานี่เวลานั่งหลับตามันเห็นอะไรนะก็อย่าไปเชื่อมันเออแต่แต่เรามือนตาเห็นเดินมาก็อย่าไปเชื่อมันไม่เชื่อเลยแหละอเห็นก็ให้เห็นใจของเราเนี่ย เวลามาโกดก็เห็นเวลามันจะไปที่โน่นที่นี่มันชวนเราไปเต้นที่เราแกเห็นเห็นแล้วเราก็เป็นไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยการปฏิบัติธรรมะอย่าเป็นผู้เป็นให้เห็นเป็นผู้รู้เฉยๆรู้ล้วก็แล้วไปทิ้งไปทุแล้าแต่ไม่บังคับบัญชาใครเกิดมาแล้วก็ไม่มีดีไม่มีชั่วไม่ไม่ไม่ถือว่ามันดีมันชั่วมันควร มันก็โดยอยู่เฉยไม่ต้องไปไปบังคับเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็เราเห็นแล้วแล้วก็ปล่อยไปเกิดขึ้นมาอีกปล่อยไปอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ชั่วก็เหมือนกันไม่มีสิ่งที่จะเอาไม่มีประโยชน์มั่นทุ่มั่นในสิ่งนั้นที่นี้เห็นสวยเห็นงามเท่าไหรก็ไม่เอาไม่อยากได้ให้เราพยายาม นั่นแหละละเวลา ป, ปล่อยวางไปใครว่าอะไรเราก็อย่าไปตือผิดกันมันธรรมดามันไม่ใช่ของจริงทแท้แท้แหละค น, ค, นความว่ากันด่ากันเนี่ยมีแต่ของสมมติขึ้ น, นเอามาพูดกันทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงเลยเอาดูให้ดูเอาเห็นเขามาพูดได้ฟังเนี่ยมันจริงดั่งเขาว่าไหมมันไม่ไม่ใช่เลยเขาด่าแม่รองเนี่ย แล้วพ่อแม่เราก็อยู่เฉยๆว่าเราเป็นผีเป็นสางเราก็ไม่ได้เป็นผีมอยู่กับเราเราสร้างขึ้นเองอ่ะไม่มีคนสร้างให้เลยผีสารสร้างสร้างได้ทุกคนสร้างโดยไม่ไม่มีใครรู้จักว่าตัวเองเป็นผีใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระโมโหเครียดโกรธมีผีนี่ะผีเน่ มันผีธรรมดาเนี่ยผี่ยว่ในเราเนี่ยมันเข้ากันก็ได้ไปเข้าคนอื่นก็ได้มีตัวเมื่อกันแต่ไม่เห็นตัวมันไปด่ากันนึ่งเนียด่าว่ากันผีอยู่ไปถึกไปว่าเขาเขาก็มาว่าเราตอบต่างคนต่างว่ากันผีเข้าผีเราก็ไปเข้าขา ผีของมาเข้าเราเถียงเงินไปเถียงมาเลยตีกันฆ่ากันนั่นแหะตัวผีอ่ะมันไม่อยู่ที่ไหนอยู่กับเราอ่ะถ้าเราบ้านทั้งใดก็มีแต่ด่าแต่ว่ากันเรียกแต่หาหาแต่ผีมาเข้าบ้านเข้าเรือนเออด่ากันตีกันมันก็เป็นบ้านของของพวกผีพวกเปรพวกก็ได้เลยไม่ใช่อื่นใครเราสร้างนิดเองทั้งหมดล่ะ เพราะฉะนั้นให้เราพยายามดูของอยู่กับเราเนี่ยเป็นของที่จันไรมากที่สุดเลยถ้าคนไหนรู้แล้วอ่ะอย่าไปด่าไปว่ากันผีเขาจะไม่เข้าเราวานนั่นแหละระวังไว้เราผีผีเราเนี่ยไปเข้าเขาเราเขาก็ต้องส่งผีเขามาเข้าเราเหมือนกันด่ากันว่ากันเนี่ยผีไม่ไม่ทิอยู่ที่ไหน ผีตายไปแล้วผีตายแล้วหลอกคนไม่ได้ทํามาได้ไม่ได้มาช่อคนคนก็ไม่ได้มาจี้มาปนคนก็ไม่ได้มาทุบมาตีคนก็ไม่ได้จะไปย่านมันทําไมผีตายไปแล้วไม่เห็นใครลุกขึ้นมาตีกันพวกเราโง่เฉยๆนีค่อยๆค่อยดูไปค่อยฟังไปเราจะไปเชี่ยงง่ายพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มีให้เที่ยต่ออย่างนี้ พูดสอนให้เรามาประพฤติปฏิบัติตามรอยของฐานนอดเนี่ยของที่วงรายคนให้ไล่สาร ะ, ะไม่มีไม่ไม่ไม่ให้ว่าไม่เพีเ้ยเลยเพราะฉะนั้นให้พยายามเข้ามาหาแล้วตั้งอกใจตั้งใจทําอย่าเห็นแต่ความเกียดข้านความเกียดข้านนะพระโตตกต่านะ เออมันชวนเราไปไหนก็อย่าไปตั้งแต่ก่อนเราไม่เห็นเดี๋ยวนี้มันจะความขี้เกียจขึ้นมาเราก็เห็นเออมันจะไปนอ่นมันอยากไปนี่มันอยากหลับอยากนอนดูแลแต่มันจะเป็นเออแต่ก่อนเคยนอนให้มันบันนี้เราเห็นแน่วเรารู้อยากแน้วเราไม่ต้องนอนมันพาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องไปยืนตร่นั้นเนี่ยทาอยู่ที่เราทานี่แหละให้มีความซื่อสัตย์ตัวตัวเอง มันอยากไปที่ไหนไม่ไปอยู่นี่แหละอันได้เกิดขึ้นก็ให้รู้อะไรเกิดขึ้นให้รู้ของที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ให้รู้อันของดีเกิดขึ้นก็ให้รู้รู้แล้วก็ทึ้งให้รู้ก็ทิ้งไปนีมันเกิดแท่งเห็นทุกันนั่นแหละอมันไม่รู้ก็ให้รู้จากว่ามันไม่รู้มันดู่เฉยเฉยก็มันดูให้รู้จักมันใจร้อนใจเย็นเราก็เห็นเองเห็นเจ้าเห็นตัวเอง เพราะฉะนั้นให้เราทำย่าที่เกียรติข้างเกิดเป็นคนมาอยา้มื่อเสี้ยวทีที่เกิดปาเป็นคนไปที่ไหนก็ให้มีคนนับหน้าที่ตาเคารพยงเจงกันมันดีอยู่กับคนถ้าเราฝึกดีแล้วใจดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ดี มีเงินก็<โ>กไม่ท<ม>ุกข์ไม่มีเงินก็ไม่ทุกข์ ถ, กถ้าเรารักษาใจดีแล้วอะถ้าใจชั่วดะมีเงินไม่เงินร้อยล้านพันล้านมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่มันก็ไม่ดีของดีเกิดจากเรายู่กับเราอยากได้ให้เราทาเอาไปที่ไ น, นก็มีคนยำเกรง มีคนรักไม่มีคนลังเกียจเลยนับหน้าตือตาไม่ไ ม, มีคนจะหยาดย้ำหรืดูถูกนินทาเราได้เพราะว่าเราทำดีเพราะนั้นก็ให้พยายามดูตัวเองไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นเรื่องของคนอื่นไม่ก็เป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราเนี่ก็รักษาตัวให้ดี เรื่องของเราเห็นใจคนอื่นก็เห็นใจตัวเองท่านท่านดูไปไปะเห็นตัวเองเนี่ยเราก็ยไม่ไม่ไปว่าคนอื่นเราก็เห็นคนอื่นหรืออะไรได้ยินมาทางอื่นแล้วก็มาดูตัวเองอถ้าคนอื่นคนว่าว่าเรามาอย่างนี้เราก็โกรธถ้าเราไปว่าคนอื่นเขาก็จะโกรธเหมือนกัน เราก็ไม่กล้าว่าวไม่กล้าพูดในถึงนั้นให้แก้ตัวเองทำปัจจุบันที่มันเป็นถ้าปัจจุบันดีดีบทถ้าปัจจุบันไม่ไม่ดีมันไม่ดีจะทำอะไรดีเท่าไหร่มันก็ไม่ดีถ้าปัจจุบันไม่ดีมันอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้มาแก้ในปัจจุบันให้มัน ได้เป็มที่เตงแตแ่ความดีเกิดขึ้นมาสร้างได้ไม่เตว่าสร้างสร้างไม่ได้คนไม่ไม่อยากสร้างแล<ต>้วก็คือคนหลงหวังจะเอาความทิฏีิความตัวเนื้เทีอตัวมาบังคับคนอื่นให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยมันไม่ดีแบบนั้นนะ ให้พยายามทำวันคืนล่วงเยล่วงไปบัดนี้เราทำมาอะไรอยู่เนี่ยเราอยากให้มันเป็นเวลาเป็นของมีค่าทำไปทำไปมันก็ค่อยหมดไปเดินเข้าไปหาความตายทุกวันทุกวันวันละเก้าละเก้าพวกเราถ้าตายไปแล้วก็ ไปตามไปเบลเป็นเป็นผีเป็นอะไรอะไปตามกรรมของตัวเองแล้วก็หมวดกรรมทั้งน้นแล้วก็ยัได้มาเกิดเป็นคนอีกก็ยังไม่ต่ออันนี้เนี่ยคุณคุณโยมทุกคนก็คิดดีใจถ้าเรายังไม่ไปฌานนี่เขาฌานหน้าค่อยค่อยไปน้องพ่อก็เหมือนกันอย่าไปปรารถนาเอาว่าให้มันได้บานอย่างนั่นอย่างนี้เป็นอะไรก็มันเป็นไป มันจะดีหรือจะได้ไม่ต้องว่าอกว่าเราเป็นพระนั้นพระนี้ไม่ต้องว่าหรอกได้คันนั้นแล้วขั้นนี้แล้วไม่ต้องว่าทัวเล่าตั้งแต่มันจะเป็นเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ตัวเล่าแต่เป็นไม่ต้องไปให้คนมาว่าตัวเองก็อย่าไปว่าว่าดยนี้เป็นได้ขันนั้นแล้วคันนี้แล้วอย่าไปว่าเด็ดขาดคนอื่นเขาดูเขารู้จัก ไม่ต้องไปว่าเราคนไห้ดีเนี่ยพากันรู้กันมากันหมดทุกคนถ้าราไมารู้ถึงแก่วพูดเท่าไหรเขาก็ไม่เชื่อหรอกดูการกระทาของทานคนนั้นมนก็พอฟังไปเอาละทุกวู้บุคคลผ้บนก็ทุกคนเจรจาขอยึดติเพียงตันี้ เอวางก็มีดูการดูดี